พรธรรมเทศนาจะด ก, กเรื่องนางนวลคำผูกติเก้าเรียบยังใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยป่ออินสมใช้จมูกเรียนรำฮุกเปียกนักทมเอกอดีเจ้าคณะจังหวัดเจียงไฮอะโมตัะะะตสาภากาวตตระโตสัมมาสัมพุทธัส สญวนยักษริยทีตารังอากาศเสนาตัญหิมาวันตั้งกันตวัตีสาโบดุราสปุริตาตั้งลายผูคานิงหมยไข่ผ่าปนเสียจากวัตตะสงสาร ได้ถึงนิปานเวียงแกอเป็นตีแลอกไปลุ่นจริงกต่ามบุญต่างๆตามไฟอ้างไผ่มันแลอาปากันพอมนามาอยู่ท่าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวาโซยักโคดังนี้เป็นต้นบัตรนีแดดเตอ้อ สวนยักคอส่วนยักใจหันบากเศร้าอุ้มนังนอเนาาชมสีแล้วรีบหนีไว้ว่า ด, ด้วยอากาศไปบนถึงพระสนเถือนทองโคงเขต้องหิมมาปานนางนองคานยศใหญ่ก่อร้องให้หวายวายกัวยักพายก้าหยาบจักกันกาบเอากิน กัวตกดินมวยหมอดบอดได้รอดเป็นคนยักษ์ตาร้นถอยไรไปจะใจเรียวไวย้ำตาวันใสต่ำก้อยลับเหลี่ยม้นยอยู่กันทอนนกจับก้อนเรียงกูพ่องบินสูร่วงรังยักษ์ตาปังใจหยาบหอนสราบกาญา ตั้งไฟมาอยู่ไกลห่อนเอาไมเหลือใจก่อเรียวไว้วาวาดจากอากาศไปบนดงไพรสนปากว้างลวดปั่นกว้างเววา่าปิจจารณาขึ้นล่องบองหูจ่องตั้งเตี้ยวลงดงเขียวเถื่อนทองนางก็ห้องไหไวายวา ย, ยักผีพายปุ่มใหญ่แม่นห้อนไมปปานใด <c oughs> ก็อดใจอุ้มใบบ่อปล่อยได้ย่างนางดังตาฟังดันสอดบ่อแจงรอดแดนดงมันก็ลงไต่เต้าเข้าเขตเจ้าราศีต้นบัดนี้สะอาดจบฉลาดกองทำยักนานำน้อยใหญ่กลัวเสียงไข่ดงดานเจ้าถ้ารงยานตนวิเศษอยู่ในเขตดงขวาง นยินเสียงนางร้องไห้ดังมาหรอดไก่ศาลายินสังกาแต่เล่าจริงถือไม่เต้าเตรียมใจรีบเป่งไฟกาผ้ากออกไปจากศาลาก็หันยักขาอยาบจ้าอุ้มนอลาหญิงรามจริงร้องถามเท็กสวาดยักเฮาหาดกว่าตายสันระสยสสลังรีบหยอบนั่งวางนาง ยกมือวางต่างเก่าไว้ยังเจ้าราศีและอกกรีเข้าป่าบ่อได้จ้าบัดเดียวก็มีหันแมนาตีนนเจ้าราศีตนบุญกวา้างใจใยอ้างคุณนาก็เข้าไปหาตีไกน่นังดอไทยนวนคำแล้วไข่กําทันที คือหูติตั้งมาวานางอยู่ป่าราเตต้องอยู่คงเขตทองเมืองใดจุงจักไขเก่าหูเฮาหูขีญาสนได้จ่ายักเทาป่ามาป่าเสาดงตันเรือตัวมันไปผากเอามาจากเมืองใด้สยวงไงพ่อแม่มีจือแต่สั่งจา จุงใครจะบอกเล่าเฮือหูเก่าตามร้ายนั่งบุญภายยศใหญ่ดังเกิดใหม่แถมหุนหายกังบนสาลังคุกเข่านั่งวันตาใครขี้ยาบอกเล่าเฮือราศีเจ้าตามมีเจ้าเจียงจีฟังแล้วก็เก่าวซึ่งนางแก้วดวนคำว่ากลางดงดำเป่าไม่ไพยใหใหญ่มีหลาย นางอย่าหมยจักกว่าไปไปนาตังได้จุงอุดใจไปจอดในห้องหยอดกูดีเจ้าระสีตนวิเศษจบแจงเป็ดอภิญญาเนรามิสาลาตังไว้ตีจิมไกอาสารมฮือสีอุดมกินกูได้เขาอยู่ไปในก็มีหันและนะา <c oughs> ตาต่อปัธานยาแรกแต่นั่นไปไปนานังนอลานวลคำอยู่ดงดำป่าเศร้ากับตานเจ้าราศีปฏิบัติบอกขาดในอาวาสารกคมโซกาแต่ก่อนบอกหู้พันใบหายใจยังหม่ใขผากออกไปจากดงรี เจ้าแปลงใจดีคำเจ้าปฏิบัติเจ้าทารงยานเก็บดวงบ้านดอกไม้ตักนำใจและฉันหาหัวมันหัวจัก <c oughs> อุปถาเจีจ้ดอกไม่มีบ่อไรอยู่ตีไกอารามพ่องบ้านงามจีจรพ่องกอดลอนลงดิน แม่เพิ่งบินวารอดเขาใส่สอดไก่ซอนสลีบังอ้นนอนเนามองบนเสายามใดก็ออกไปสะใสเก็บดอกไม้จมดวงกือมาลีหลวงเขาเพื่อดูตั้งเลือกเอามาสะ บ, บันงาหอมอ่อนสลิดซอนจาใบดอกหอมไก่กี่ซ้อม ดอกตะลมขาวแดงดอกเอื้องแฟงขาไม่มีบ่อไร้ลายสีกันทาดีหอมหือดมแล้วจืนหัวใจพ่องขาวใสเป็นคุ้มพองห้อยลุ่มเป็นทรายเหลืองแดงลายลายสมัมมีพร้อมพัมดีลีตั้งจำปาจำปีต้นตัง ตั้งดอกสังอุ่นดงมาหาหงลายแหลกเกศาวาแพ่ใย่ยดอกในไพรบ่หน่อยนังยอดซอยบุญมีอยู่ปุรีเมืองใหญ่บ่หอนได้เคยหันลางผ่องปั้นกาบซอยลางผ่องย้อยเป็นปวงพ่องดอกลวงเต่าซ่ากันท่กว่าหอบเนืองผ่องบานเรื่องรังเรือบานหนึ่งเตือ่อพอเดือน พ้องก็เหมือนคนแต่งบ่อแห่งรวยราพ้องควายมาแดงกำถึงยามคำขาวปอนสดีบัง อ, อนน้อนหนอไทยแอวซอส่จมดวง <c oughs> ตุกลายลวงทางคอนกองผ่อนเป็นข้าวแป้งใจเยี้าอยู่เฝ้ากับพ่อเจ้าระษี บาตีบาตีจะาใจบ่เว้นไว้วันใดก็มีฮันนะ่นแลยนาทีนี่จากมุญนานาจะรอถึงสองยอดบุญนาคือสุราเมฆาปีเก้าได้เป็นเจ้าภา ป, ปารา มีจาญ่า ง, งามอาจจื่อนังนาดเมฆาวดีเจ้าบุญมีผูน้น้องใดนั่งห้องเป็นอุป ร, ราชาในปาราเมืองกวางมีจื่ออ้างว่าปันธุมตินาอรหายอามอนสกเศร้าทุกคำเจ้าเจยบาน บ่พอนานสักยาเจ้าน้อยนาดอุปราชจ้าก็พาธนาให้สอดไปพับจอดเพียงใจตั้งไปในไปนอกพับดาวขอกสีมาถึงปาราต่างเต้าอันอยู่ดาวแดนไกลจริงจะไขบอกเรา แก่ปีเจ้าตามีเจ้าปุรีตนปีใจบอกกีจมบ้านจริงเจ้าวานตานต่อว่าดูระน้องนอสายตารอสองราปีน้องได้ผักของเมืองตนเข้าไพรสนป่าไม่นับอ่านได้ลายปีจริงได้ดีลาผักออกมาจากดงตัน บุญมาตั้นจักจองได้นังห้องหอใจบ่มีวงใหญ่พ่อแม่เต้ามีแต่สองราสันได้จ้าน้องเก้ม้มไข่เอวเมืองไกลข <c oughs> อใส่ใจน้องลายาได้ว่าจักนีขอสเสวยสีบ่ขาดในภาษาหอจันกันน้องพันลาภาคออกไปจากปุรี พี่เตียงมีโศกเศร้าจู่คำเจ้าแหลง่ายน้องอย่าบายจักกว่าอย่าได้ว่าจักไปขออดใจอยู่สร้างเมืองมิ่งควางเราราแด่เตืรอเมื่อนั้นโนปราจาดองเดาก็ตอบพี่เจ้าบุญเรื่องว่าข้ายินเครืองบ่แล้วใครออกแอลเสวงหาฟังํำจาไพ่น้อย ว่าเขาก่าท้อยสันได้เขาสุขใจคำเจ้าหรือมนเศร้ามองขีเขายินดีทั่วหน้าหรือด่าว่าเตียนควัน <c oughs> กันหูวหันแจ้งทีสุดเสียงตีสังกากอจากบอกมาบอกเล่าให้แก่พี่เจ้าตามมีอันหนึ่งคาใครหนีจากห้องไปสู่ต้องแดนไกล เขตเวียงใจต่างเต้าเปื่อฟังข่าขีญ้าว่าเต้านานาต่างค่ายเขาคึดให้หรือดีเจ้าปุรีไผ่ไตห่อนเดือดไม่บองผ่านหรือสำรานจืนจอยตั้งใหญ่น้อยยิงใจกันข้าพันภายเตียวไตไข่เมืองน้อยใหญ่แดนไก่ก่อจักเรียวไว้ปิ๊กปอกไหวานาออกขึ้นมา ไข่ากินยาแก้วหืีเจ้าหัวตามอีเจ้าปุรีผู้ปี่ฟังกำกคำจี้ไขจาแห่งอุปราชานองไทยก็ห้ามไวไหลหยหนย่อนกังวลลายหลากบอกืฮ่ไข่ภาคมีไก่เจ้าใสา่ใจอุปราชก็ขอโอกาสลายตี เจ้าปูรีปีไทยอดบ่อได้เหลือใจก็จริงใครปงขาดอนุญาตไปดีก็มีหันแลนา <c oughs> กันถึงวันว่ารอตนเจ้ายอดบุญนาก็ทุนสาบอกเ ก, าก่าแก่ปีเต้าผู้มีเอาวัวดีเขื่องใจ ยัดเข้าใส่ถ่งปาทะรงวัฒน า, าเก่าเกืือตั้งผ้าเสื้อคนผ่านบ่กไข่กาเกา่าวให้แก่ผู้คนใดจุ่มคนในอามาตก็บอออาสังกาหันกับตาต่อหน้าว่าเป็นไยฟาดีลีเจ้าบุญมีอุปราชจากภาสาดลงมา เอา่งป้าห้อยบ่าออกเตี้ยกว่าตามใจคนซุ้มไหนเข้าหันซ้ะสอดดันฟังความแอวเล่นตามกองกระทำไพร า, พาชพระจาเขาก็จะากเกาจี้งฮือแจ้งทีตามาามีทมเศรษฐีบอกกล้าทำหมูขคาก็ตมการทมคนผ่านกันอยากตกลำบากอนาถา โอ้โกอ็จากเขาเฮเจ้าหัวตามไรตนคำใจยอดยาวแอวไข่ดาวเวียงใจฟังค น, นในภัยน้อยไข่เก่าถอยนานา <c oughs> ฟังเขาจากเขาอูพ่อเขาโย่เขากินเจ้าได้ยินได้พ่อหูแจ้งต่อหูตาก็ออจริง ล, ะละาลาผ้ากอกไปจากเมืองตน ไปสู่หุนแห่งห้องพระเตต้องเบื้องกไก่ก่อยเตียวไปป้อมหมูพ่องเข้าสูด่ดงนาหาภาละลูกไม้พ่องซอไซหาลัวพ่องเลี้ยงวัวเลี้ยงจ้างตามไฟอ่างไผมันล่างเตื้อหันปอก้าของต่าง ม, มาเป็นสายตนคำใจลมเนาวก้อยไต่เต้าเตี่ยวไป นำ ต, ติในขอจอดรางวันต่อตกปันไปตั้งวันจะใจนับอันใดเดือนปลายก็พันภ่ายไปรอดอยังเบืองยอดมีทีลาแห่งพาญาสุริญราติริษที่อาจเลือกไกจุงมคนไหนไผ่น่อยพงก่าวถอยเส็งกัน ว่าเจ้าหอดจันบุญน้อยบ่สมไฟหอยข้าหนิงหมยปูนดีอายแต่เล่าปอกมาเป่ามองขีเจ้าบุญมีหน่อแก้วได้ยินแล้วสังกาจริงจักจะทถามเาวว่าสุกาวสั่งจ้าเขาก็จะบอกเล่าว่าเต้าเป็นเจ้าเมืองเราไปปองเอานางนาฏงามวิลาศนาหนำ เือนวนคำนอลาลูกเจ้าฟ้าวีเตหราชาได้ยกโยธ า, ามวนหมูม่มไปเฝ้าอยู่เหมือนนั้น <c oughs> พระผู้บ้านตนป่อจริงปันนอนางเมืองคนดันเนืองจืนยาวพับไฟ่าดาวปูรีถึงยามดีมารอดดาแต่งยอดมงคล ยกยังตนโลกลาแก่เจ้าฟ้าเราราพงแต่งดาอาภิเศกอติเรกทุนควันยักด้งตันหาเท้ามาจากดาวหิมมาลาสยองสานไว้วาดโดยอากาศเวหาจอนลงมาจากฟ้าอุ้มนางนอลานีไปเจ้าห่อใจที่ราดลวดกากาศเสียนาง ผู้น้อยต่างเจ้าจ้างเป็นป่อ้ังขันตั้บ่มีกมจักก่าวห้อนผ้าเผาตั้งตนไอรีป น, นุ่มเท่าจักลือเล่าไปลายก็พันภายปิกปอกอายน่าออกึ้นเมื่อสู่อยาจ่าดังกว่าอย่าได้ว่าไปหลายเยียวเต้าอายขดไม จังเหือใส่ตั้งดกกรรมบ่ยาจังแลยนะตองสุดตัวอุปารากยนยัดใหญ่กันว่าได้ยินกคมว่านางลวนคำดังอันหัวใจสัน่นไหวค้อนเหตุเดิมอ่อนจาดก่อน สองน้อยอ่อนบุญมีได้กาตำดีก่อสร้างบุญบ่าห่างตัวมาเจ้าบุญนาได้หูใขรเข้าสู่ดงไพร <c oughs> ว่ากูววนเราไปอยากจะสอดลาป่าหานางในดงควางป่าเศร้าแม่นบุญเก่ายังมีเตียงป่าสาลีนดใหญ่มาอยู่ไปห่อคำ ในดงดำป่ากว้างเราเกยอยู่ซังหึงนานจุมอยากมา น, น้อยใหญ่หัวจกักไข่นำหนากันไปจากถามเขาเขาเตียงเก่าไข่ปันหนอขุนทันอุป ร, ราชกันเกิดขวาดสุดปลายก็พันภายลาพากออกไปจากเวียงใจด้วยเร็วไวบ่จา้า เข้าสู่ป่าดงนาเพื่อกแสวงหาสะสอทยังดังยอดนารีเกาะมีหัน่นและนาอันว่าโอ ป, ป้าราชา่มเ น, น, น, น, นานาบุญเก่ามีดำบุญนันดำจักจอ่องเหือเข้าสู่ห้องดงไพ คำตีในนอนหันแจงแล้วดันดองตันได้สาวันคบจอดก่อไปรอดกันทักูดีแห่งระสีผูเทากางป่าเ้าดงดำเจ้าบุญนำหันแล้วใจฟ่องแผวนำนาจิงเขา้าไปหาตีไกยอมือไว้จะทำด้วยกำงามบ่อเ้าว่วาคาแด่เจ้าทะรธงทม ต้านอยู่ดงดำป่าไม้บอม่อเมื่อยไครหนาวในโรกาภัยผ า, าตาบ่อมาปาดอินทีเหลือบยุงมีหญ่ใหญ่บ่มาไต้คบตนสัตว์ไรสนกายาบ บ, ขาบ่ขาดพิงสาตั้งภาลาลูกไม้ยังหาได้ปอฉันจะรือ นั่นราศีพเท่าก็ตอบเจ้าตามไรว่าดูระาใจาต่างนาเราอยู่ป่าดงนาจุ้มโรกาพญาตบ่มาป่าตัวตนสัตว์ไพรสนตัวยาบ่อขนาประวีเลือบยุงนีลี่หางงูบ่อ้างมหาตั้งพะลาลูกไม่มีบ่ไรเหลือลาย ดูราจยหนุ่มดาวตัวแห่งเจ้าเจือสังจาโยปาราต่างดาวแห่งตันเต้าสังจาภาธ า, าดาใครใดของเคืองใจอันใดจริงดันดงไพมารอดถึงที่จอตอนเรานี่จ้า เมื่อนั่นโอปราจาบุญใหญ่กอนยกมือไหวไขจาว่าข้านี่นาแต่เก้าเป็นลูกเจ้าเศรษฐีในกุสาวดีเมืองใหญ่ข้านี่ใสจืตาสะวาราตนวานดานั้นเล่าจือนางห่อนเอาสุภามาลี ดับอินทีพภาคนาเมื่อตัวคานยังแดงป่ออยู่แฝงคาเจ้ากับปีเก้าจือสุรักเมฆาป่อรุมราบ่อขาดบ่ฮือไม่มาดมองผ่านบ่อป่อนเดนนินจ้าป่อใดแม่นาคนงามพงทารามหนุ่มน้อยนางนั่นถอยสามาน ากาปกทานใจยาบคมขณาประวีตังบุปตีแจ้งดาบอเวนวาคืนวันลางเตือมันโคดรไม่บ่อตันได้ไม่เอาตีนบ่อปั่นกินข้าวนำแย่พ้อผ่ำนานาคาสองขาปีน้องนีจากห้องเฮือนตตนใจมอว้นหม่นไม่ขอเลี่ยงใสตัวไป คำตีในนอนหันแจงแล้วดันผันพายบอ่อนานหลายแต่เล่าลวดลงเข้าดงดำฝ้านองคำกว้างใหญ่กลางป่าไม้ดงรีได้ย่าดีหลอกขาบอนุภาพหลวงลายซ้ำมีภายยักกามากลุ่มกว่าป่าไปถึงเพียงใจเตต้องคงเขตห้องเมืองมนัน ยามนั้นยักษ์ผู้บ้านยศใหญ่ตายคบไข่เจ็ดวันปีข้าหันตั้งรดจริงจามตอดยาดียักษ์ดงรียดใหญ่ปล่อยพื้นได้ขึ้นมามันสมมนัสตาจมจืนรางวันยืนเดือนลหลเฮือขาใจพี่น้องอยู่รวมห้องนอนในเป็นใสใจลูกเตา แล้วเฮือปีเก้าเป็นภ้ายาซ้ำแต่งดาตัวคาผู้น้องลาสุดปลายได้เป็นสายอุป ร, ราชอยู่ภ า, ศ า, ศาษาสคำแดงมันหักแป้งลายหลากบอกเฮือภาคผังกาคาสองคาปี่น้องอยู่ในห้องเมืองมานหึงเบิอนนานแต่ใส่นับอ่านได้สิบปี จิงป้ากันนีละภาคออกไปจากเมืองมันเปื่อป้ากันปอกสูญยังที่อยู่เดิมอ่อนดันดงดอนป่าไม่นับอ่านได้หลายวันไปจวบหันดังนาดงามวิลาศเปืองเป้าพงเป็นสาวขึ้นใหญ่ลูกต้าไทยปันธุมตินากร น, นางเมื่อมอนความนา อยู่กลางป่าดงรีเอาอย่าดีตกใส่นางหนอไทยโซ้าก่อฟื้นขึ้นมาดังเก่าหายหมุนเศร้ามองผ่านมีใจบ้านใจจ้าก่อป่าคาสองใจออกพันภายไปสู่ยังที่อยู่เมืองนางถึงหอบวางป่อไทยนางก่อไว้ทุนสา คือภาญาพ่อเจ้าหัวเงินเก้าตามทำเจ้าหอ่อคำพ่อเต้าใจจืนเย้าเลือลายยกตนใจพี่ข้าเป็นเจ้าฟ้าเสวยเมืองกับนางบุญเรื่องลูกเต้างามบ่อศาวเมฆาวาดีซ้ำแถมสะลีข้าน้อย บ่ฮือถอยตกไก่ฮืออยู่ในภาศาสเป็นอุปราชแก้มองข้าพระสง์เตีวตยวไตแอวสอดควายเวียงใจตั้งตีไก่แหละไก่เขตาเต้าไทยนานาจิงอำลาปีเจ้าออกไตเ ต, ต้าเตียวไปถึงเวียงใจใหญ่กว้างแห่งเจ้าจ้างมิทีลา ฟังเขาจะบอกเล่าว่ายักษ์ยาบเทาดงไพรสัญยองไปไว้วาดโดยอากาศเวหาอุ้มเอาทิดาอาข้าวแห่งตันเต้าวิเทหราช นางนั่นนางามอาเจือนางนานวนคำมาดงดำป่าไม้คาจริงใดตัวมาเพื่อพาธนาคขหูว่านางนั่นอยู่แดนใดจักตายหนป่ากว้างเรือโอยู่ข้างเป็นคนแบนว่าตนตานเจ้ายังหูเงินเก้าขีญ้า ขุนนาเก่าวกี้หืองหูตีต่างไปแดดว่าอันก็มีหันและนาตอปะสอันว่าเจ้าราสีตนวิเศษจบแจงเปิดทารงทำได้ยินคำเจ้าเก่าวหูรอดดาวจูพักการ จิงจาวานตานต่อว่าดูราเจ้าหนอบุญพีย่ยอดนารีแวนฟ้าอันยักกาป่ามาตกดงนาป่าไม้ตันจากใดลิงหันเหตตาวัานต่ำก็เอลับเลี่ยมน้อยเ ข, ข่าคำเจ้าบุญดำหิวหอดจุงยังจอดนอนในยามตาวนันใสผูกเจ้า เราจะกล่าวไขปันจี้ดงตันกาวแล่ก่อือเจ้านกแก้าาวเศร้านอนก็มีวันนั้นแลนะน้าเนธตังขีญยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุนาลวนคำผูกทวนเก้ากอบังกุมสมรจเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล